พระธรรมเทศนาแผ่นที่69สาลำดับที่20สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าโจรพันนิ้ววันนี้เป็นวันที่8ด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 แต่ทึ้งยังไงออกมาฉันข้างนอกนี่นก็สบายดีอยู่นะพลากว้างขวา ง, วาง <c oughs> ก็ไม่ไกลจากศาลาในเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อวานวันที่เจ็ดพวกเราก็ได้เมื่อเมื่อฉันเมื่อพระฉันจังหันเสร็จแล้วก็มีการบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนามีกูบาหมอท่านหมอ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 ไม่ไม่ควรจะมีเพราะฉนั้นถ้าพูดพูดในใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดในใจนะอหลวงพ่อเนี่ยพูดในใจมาตลอดข้าพเจ้าเนี่ยก็คงจะในชาตินี้ก็คงไม่ลาสึกขาละนะีอันนี้หลวงพ่อพูดในใจมาตลอดแต่จนนูน่นจนถึงอายุมากถึงขน า, าดนี้นละ้พวกเราคงได้ยินวันนี้ใช่ไหมแต่ก่อนมันคงไม่เคยได้ยิน เพราะนั้นการบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อว่านเอาผู้มีศรัทธ า, เ, าเป็นผู้มีศรัทธ า, เ, าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสน า, าบวชเข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่วงศาคณะญาติคือตระกูลยอมรับแต่ บางคนที่พวกเราได้ยินได้ยินประนามกันทั่วบ้านทั่วเมืองบางครั้งนะพอบวชเข้ามาแล้วก็ทำตนไม่ดีเสียหายในพระพุทธศาสนาอันนั้นน่าตาหนิแต่ถ้าหากว่าผู้ใดบวชเข้ามาใช้เมื่อบวชเข้ามาไม่หม่กับเป็นผู้ตั้งใจแต่พอบวชเข้ามาแล้วถ้ามันทะเลถลายก็ไม่อยู่จะไม่อยู่อยู่ทำไม อยู่เพื่อทำให้พุท ธ, ทธศาสนามัวหมองอันนี้เราก็ต้องได้คิดเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอาศัยพุทธศาสนาทำความชั่วช้าเสียหายอันนี้ก็ไม่น่าถูกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัายาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองนะจะทำอะไรจะให้มีความเสียหายเพราะเราเป็นศากต์ตยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า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 เป็นตระกูลศากยะแต่ท่านยังรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นแต่ศรีตาสาแตมีตามาลูกใครก็ไม่รู้พอเข้ามาบวชแล้วพระพุทธเจ้ายัางนับเนื้อว่าอันนี้คือสากยะบุตรเออเป็นบุตรของศากยะเป็นบุตรของเราตถาคตนเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้าหมัวบวชแล้วเนี่ยต้องต้องทำตนให้ดีสรุปแล้ว อย่าให้ทําอะไรให้เสียหายเพราะเราเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าท่านรับนับเนื้อว่าเป็นศากยะสากยบุตรเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเราก็ควรจะลดเลิกละในสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่บางคนที่ก็มาบวชใน ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะอย่างหลวงปู่ตื้อย่างเนี่ยหลวงปู่จามเคยเล่าเลาให้ฟังหลวงปู่ตื้อเนีย่ยโอ้สมัยก่อ น, น, เ, นาาเนี่ยเป็นคราวาสเนี่ยเอเป็นนักเลงในท้องถิน่นอคําว่ากลัวใครนั้นไม่เคยมีนะหลวงปู่ตื้นอนะพอเขามาบวชเป็นนาคพอมาบวชเป็นนาคหลวงปู่จามพูดให้ฟังแนละ้วเขามาขโมยควาย ในเขือญาติและในพ่อแมนะ่ยังไม่ชัดเจนหลวงปู่เตือนเฮอสมัยก่อนนะะ เ, เมื่อเรายังนั้นนะ่นทํา ม, มันไ ม, ไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นว่าพวกหนาญาติพีนะ่น้งองก็ได้ห้ามปราบมาไว้อย่าหยุ ด, ย ด, ยดขเขาเข้ามาสู่วัดแล้วนะในเมื่อท่านเข้ามาบวชท่านก็ใช้ความเด็ดเดี่ยวใช้นักเลงของท่านความเด็ดเดี่ยวของท่านนะ ออกมาประพฤติปฏิบัติเออเอาจริงเอาจังในหลักธรรมคําสอนจนเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็คือหลวงครูบาอาจารย์ที่ท่านใช่ความเด็ดเดี่ยวคือนักเกลงของท่านความแข็งแกร่งของท่านแต่แต่แข็งแกร่งของท่านหนักไปในทางศีลณธรรมจริยธรรมสิ่ง ท, ท, ที่ที่มันไม่ดีไม่ทําอ่ะ ทำแต่สิ่งที่ดีจนเป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ในยุคของของท่านอันนี้ก็มีนะแล้วก็มีหลายๆองค์อย่างล้งปูล่าก็เคยพูดให้ฟังคนที่เป็นนักเลงมาก่อนเนี่ยเขามาบวชนี่ถ้าไปในทางดีมันดีจริงๆนะทเด็ดเดี่ยวนะกล้าพูดกล้าแสดงแล้วก็กล้าทอสิ่งที่พบ ใจิตใจเด็ดเดี่ยวใจิตใจอาถรรพ์อันนี้ก็มีประโยชน์เป็นประโยชน์มากนะแต่ถ้าไปทางผิดแล้วก็ล้งางไม่อยู่เหมือนกันอันนี้หลวงปู่ลาท่านก็เคยพูดให้ฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าไปถึงขนาดนั้นเถอะนะแต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจให้เป็นพระที่ดีให้มีศีลมีธรรมก่อนที่จะ เอทำสิ่งไหนก็ตามะแต่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอแต่บางท่านบางคนเมื่อสมัยเป็นครวดเอต์ทำท่าตินู่นตินี้อตีพระอย่างงุ้นตีพระอย่าง น, างนี้พระไม่ได้อย่างนี้ก็เคยมาน่ะเคยมาบวชที่วัดหลวงพ่อเหมือนกันพอเข้ามาบวชโอ้อทำตัวไม่ดีเลยเป็นที่ตำหนิ หลวงพ่อก็ตําหนินะนี่แหละอันนี้ก็มีมีเหมือนกันแต่เมื่อตัวเองอยู่ทางครวดตําหนิคนอื่นแต่พอเขามาบวชแล้วนะตัวเองทำเชืเองอันนี้ก็เคยมีเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ย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 ตัดหางปล่อยวัดพอตัดเข้ามาหางปล่อยเว้าหายเงียบไปเลยไม่มาเยี่ยมมากล่ำมากลายเลยปล่อยทิ้งไปเลยผลในสุดผู้ที่เขามาบวชก่ทั้งที่จะเป็นคนดีเออเอาเถอะข้าเรียวมาพอแรงแล้วต่อม่นี้ไปข้าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดี ถ้าได้อย่างนั้นมาโอ้ดีเลิศนะแต่พอเข้ามาบวชบางคนก็เอาความเลวของตัวเองนะผลที่สุดกนะ็กินเหล้าเมายายาเสพตุงยาเสพติดเอามาพระในในวัดทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้พระที่เคยผ่านความเลวทางครวญมาแล้วนะเข้ามากมาเสียมสอนพระในวัดเอก ทำให้เสียหายอันนี้ก็ได้ยินอีกเหมือนกันนี่แหละหลวงพ่อว่าลูกหลานผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ยต้องกันกรองพอสมควร เ, เมื่อบวชเข้ามาแล้วกันหะช้ำรวมกายวาจาของตัวเองเอแต่ตามไม่จริงบางท่านบางคนก็โอ้เห็นไหมองคุลิมานต่กอนก็ท่านกุลเลว ฆ่าคนเท่าไหร่ออแล้วเขามาบวชก็ยังได้เป็นพระหรหันต์นะพวกลูกหลานของเราเอามาบวชจะไม่เป็นอย่างนั้นบ้างเหรอแต่มันน้อยนะน้อยแต่ถ้าเราศึกษาในประวัติขององค์คริมานเถอยองค์คริมานไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีนิ ส, สัยเสียหายมามาแต่เกิดนะเออตั้งแต่เกิดขึ้นมา เ, ออเกิดขึ้นมา เขาก็ตั้งชื่อว่าอาหิงสาผู้ไม่เบียดเบียน เ, เพราะว่าพระ อ, องค์คริมาเนี่ยเป็นลูกของปุโรหิตตายจานของพระเจ้าปัเสน เ, เป็นปุโรหิตใหญ่พอเกิดมามาเกิดเนทนทางโหราศาสตร์เขาก็บอกว่าเกิดในช่วงช่วงช่วงโจนช่วงนักเลงช่วงโจน อพอเกิดขึ้นมาในคืนนั้น อ, ะอ่ะหอกดาบแหลนเหลาเกิดแสงสว่างขึ้นมาในเวียงในวังในที่ไดๆมีแสงสว่างขึ้นมาในหอกดาบแหลนเหลาอะ่ะพระเจ้าปเปิดเศษนอนไม่หลับทั้งคืนบรรทมไม่หลับทั้งคืนแมมันเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นแต่พอพุ่งในเช้า พราหมณ์ปโลหิตตายจารนะ์เนี่ยท่านเป็นผู้ดูดวงดูดาวอีกสังหากท่านก็ออกพอลูกเกิดออกมาท่านั้นแหละท่านก็ออกไปดูในท้องฟ้าไปเห็นโอ้ลูกของเราเนี่ยเกิดในในเลือกลกโจรเลือกมหาโจรขนโบราณ น, นะจากนั้นพ อ, ท, อท้องเช้ามาก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปเสน โอเสียงแสงอะไรเมื่อคืนนี่มันเกิดขึ้นใน ห, หอกแหลนเหลาสว่างไปหมดมันทำไม่อื้เรื่องอะไรแโปรโหิตตายจานเขาบอกว่าที่เป็นนิมิตขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยที่มีแสงสว่างขึ้นมาเพราะว่าลูกของข้าพระ อ, องค์เกิดในเลือกโจนเเพราะนั้นขอให้พระ อ, องค์จับ จัดการเนี่ยเอามาฆ่าเนี่ยฆ่าจะจะไม่เป็นเด็กๆสะกะันก็แล้วไปจบไปมอบให้พญาประเสิิ์เอ๊เขาจะเป็นโจรโจรกลุ่มใหญ่เป็นมหาโจรกลุ่มใหญ่แล้ว่าโจรคนเดียวเขาเป็นโจรคนเดียวนะอจะเป็นโจรคนเดียวเ อ, อโจรคนเดียวไม่เป็นไรเราปราบได้อถึงจะเก่งขนาดไหนผมไม่มีคงไม่เหลือเหลือบากราแรงฮะเอาเลี้ยงไว้เถอะนะ จากนั้นโปโลหิตตายจาร์ก็เลยตั้งชื่อว่าอาหิงสาผู้ไม่เบียดเบียนนี่แหละความเป็นมาขององค์ริมานจากนั้นพอเลี้ยงขึ้นมาแบบเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเด็กที่ฉลาดมากจากนั้นก็ไปส่งไปเรียนเมืองตะกัศิลา เ, เมืองตะกัศิลาเป็นเมืองวิชาในยุคสมัยนั้นพอไปเรียนแล้วก็เป็นหัวหน้าหมู่อีกนะ เป็นหัวหน้าคณะเอกนักเรียนทั้ง4ี่ห้าร้อยคนองคริมาเนี่ยเป็นผู้นำแปลว่าเป็นผู้ใกล้ชิดอาจารย์อาจารย์ได้นำสั่งสอนได้จำได้มดจากนั้นก็เอามาสอนพวกหมู่อีกพวกรู้รู้ได้ช้าหัวทื่อเอามาสอนหมู่อีกทีนี้หมู่ทั้งหลายกวาดตัวเองเดี๋ยมาเรียนกับอาจารย์แต่ทำไมถึงมาเรียนกับนาย อหิงสาเออออกมาสอนอีกทีหนึ่งจริงด้วยไมาจริงเขาใหม่รูถ้าเราไม่กาจัดไอ้ น, นี้ออกซะนั้นเราก็ไม่เข้าเราคงไม่ถึงอาจารย์หรอกนะในลักษณะอย่างนั้นผลวน้เธอไปเลยนะหาเรื่องใสองค์คริมานอะแต่เนี่ยอหิงสานะว่าใครเขา้าไาจัดตั้งจัดตั้งจัดเป็นหมู่ขึ้นมาสี่ห้าหกคน ขึ้นมาก็ไปหาอาจารย์อาจารย์อเงศาสร์เนี่ยอย่าไปไว้ใจมันมากนะดูๆแล้วนิสัยไม่ค่อยดีนะอาจารย์เฮ้ยเราดูมาตลอดมันไม่มีอะไรไอญิงศาตร์เป็นเด็กดีมากกีกกลุ่มหนึ่งเขาไปอีกสิบยี่สิบคนเขาไปบอกอกอาจารย์ไอเิงศาสตร์เนี่ยอย่าไปไว้ใจนะเป็นคนไม่ดีนะเด็กไม่ดีนะไปไว้ใจเสียหายนะ นี่เนี่ยมันเกาะแกะกับอแม่บ้านของอาจารย์นะเอออาจารย์ก็ไม่ใช่นะสูเจ้าจะไปหคิดอย่างงั้นเป็นเด็กดีน่ะเอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปอีกเพราะนั่นสืบทอดหลายคู่ต่หลายคนเออเขาพวกเขาจัดตั้งนะใช่ไหมล่ะจัดตั้งขึ้นมาที่จะหาเรื่องเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้นะพวกเราให้ฟังเอาไว้นะเออให้หนักแน่นให้หูให้หนักแน่น ยังเมื่อเขาจัดตั้งเขาจะทํำลายทําร้ายทําลายผู้ใดใครเนะี่ยเออไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้นะเออเขาพร้อมที่จะจัดการนะเพราะนที่สุดก็ไปหลายกลุ่มต่อหลายคณะเข้าไปอาจารย์ที่แรกก็เที่ยงตรงใช่ไหมละ่ะเออพอหลายคู่หลายคนเข้ามาหลายกลุ่มเข้ามาอาจารย์ก็เอียงเอเท่เหมือนกันเลยเอ้มันคงจะจริงมั้งวะถ้าหากว่า มันไม่จริงเลยเขาคงจะไม่หาเรื่องคงจะไม่มากขนาดนี้อันนี้ไปรู้ว่ากี่กลุ่มกี่กลุ่มเข้ามาล่ะเออเราจะเอาอยัางไงวะมันคงจะจริงลนะมั่งเนยเแต่ทั้งที่มันไม่จริงนะแต่ว่าพวกนั้นอิจฉาท่านเองนะความอิจฉาของกลุ่มนั้นท่านเองเพราะในสุนอาจารย์จะฆ่าเองถึง เ, เราจะจัดการฆ่าเองเอก็เสียประวัติเพราะว่า เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหากระวันนี่อาจารย์เนี่ยค่าลูกศิษย์ที่ว่าลรุษิ์ทําตัวไม่ดีมีการฟ้องขึ้นมาแล้วก็เลยจัดการค่าเอาถต่เราจะยืมมือคนอื่นค่านะเนี่แหละอาจารย์วางแผนนั่เนเองอาจารย์ก็บอกว่ า, าหฮงศักยเธอที่เรียนจบแล้วนะเกือบจะจบแล้วแต่ยังมีวิ ช, ชาหนึ่งที่เราให้ใครยังไม่ได้อยู่ในตัวของเรา แต่วิชานี้เป็นวิชาพิเศษมากถ้าเรียนจบแล้วนะแปลว่าแผ่นเหยียบแผ่นดินก็เดืองเลยล่ะเอาไหมต่างอีเซก็เอาครับถ้าเอาในก่อนนี้นะจะต้องเอานิ้วมือของคนมาบูชาอาจารย์ให้เขาบ่าเป็นเครื่องบูชาบูชาวิชาตัวนี้ จะต้องเอาดุลมือคนอมาบูชาอาจารย์อาจารย์จิกประสิทธิ์ประศาทวิชานี้ให้องคุลิมานโวยไม่เอาเงินถ้ากนาดั้นผมไม่เอาแล้วไปตัดนิ้วมือใครจะไปให้นิ้วมือนะอาจารย์กับขยันขยอยเอลยโอมกล่อม อ, องค์ุลิมานพราะทูตองคุลิมานก็ยอมอพอยอมเสร็จแล้วก็อ ถ้าท่านอาจารย์เห็นว่าบันทีดีถ้าไม่ดีแย่ไงถ้าอาจารย์บอกว่าดีมันต้องดีเอยถ้าอาจารย์ดีเอาผมก็เอาอื<ม>เอาไปเอาไปเอานิ้วมือคนนะเอามาพันพันนิ้วยนะอจึงจะมาอาจารย์จึงจะประสิทธิ์ประสา์วิชานี้ให้องค์ุลิมานเนี่ก็อนีน่แหละตะกรก็ชื่ออเหงสาษะนะหนุ่มอเหงษอนะจากนั้นก็ไปข อ, อนิ้วมือ อผมขอนิ้วมือด้วยครับจากนิ้วหนึ่งครับใครจะไปให้ใช่ไหมล่ะอไปขอนิ้วมือเขาใครจะไปให้ผลในสุดพอเขาไม่ให้ใช่ไหมมีตัดคอเลยพอตัดคอเสร็จแล้วก็เอานิ้วมือคนนั้นก็ตัดตัดไปเรื่อยนะวันสองวันแรกคนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคนยังมัวเมียเดี๋ยวมันก็ตัดไปเรื่อยอแล้วก็ตัดนิ้วมือไป ตามไม่จริงนิ้วมือของคนไม่ใช่99้นิ้วนะมันกว่าเพราะเหตุนใดเพราะตัดที่แรกเนี่ยตัดเสร็จแล้วเกาไปไว้หมกดินเอาไว้บางถมดินเอาไว้บัง่งเอาไว้ในกิ่งไว้ายบังเน็บไว้บังรักษาอะไรกั น, น, น เ, เพอโพลิสุดพอตัดแล้วก็กลับมาหากลับมาห า, หาไม่เจอเพทั้งมดทั้งอะไร ทั้งกาทั้งอะไรขาบไปกินทั้งหมูทั้งหมาขาวไปกินเขียไปกินบ้างได้บ้างไม่ได้บงังพอในสุกก็เลยเหาเชือกมาทีนี่พอตัดได้ทีไรก็มามัดแล้วก็แขวนคอมัดแล้วแขวนของคงจะเหม็นน่าดูนะหลวงพ่อว่านะนิ้วมือของคนนะ่ะแขวนคอนะ่ะ เ, เขาตั้งชื่อว่าองค์คุรีองค์ุรีกือคื อ, ค อ, คอนิ้วมือจูนที่มีนิ้วมือ อยู่ในคอองคุริองคุริมานโจนนะก็เลยมัดนิ้วมือติดคอรอบคอนะคงจะหลายรอบหลวงพ่อเป็นพันนะเออาแขวนคอตัวเองเลยท่นะีคงจะเหม็นหน้าดูนะหลวงพ่อว่านะมันจะเน่าหัวในสุกเนีตัดไปเรื่อยจนถึงได้499คนนะทานนีถ้าเป็นใครก็เถอะไม่ไววทางนั้นเะห็นข่าวนี่นะั่นะนะนะนะ ในคืนนั้ น, นแม่อยู่ที่กรุงสวัสถีได้ทราบข่าวว่าสวนพระเจ้าปเสนที่โกศลเ น, นี่ยก็พอทราบข่าวว่าองคุลิมานลูกของโโรหิตเป็นมหาโจรแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เตรียมพร้อมเลยยกจะยก ท, าทาหารเข้าไปเลยเป็นล้อมจับเพราะมันเดือดร้อนแต่นี้องคุลิมานเนี่ยกเอยังหาคนอยู่ที่จะตัดนิ้วมือคน ทางแม่เนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าปเสนที่กวรสวจะยกทัพไปผู้แม่เนี่ยโอ้เราก็จะต้องไปบอกให้ลูกหนีซะก่อนเถอะนี่แหละพ่อแม่กับลูกไม่เป็นยันไะถึงยังไงมันก็ยังเป็นลูกของตอนเองอยู่ด้วยความรักรักรักลูกอนะแต่พระเจ้าปเสนเนี่ยก่อพอเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมเลยกันเพราะพระทัยเจ้ารู้นะพระพระทัยเจ้าท่าน นั่งเข้าสมาธิคือสมาบัตดก่อนที่จะสว่างในวันนั้นท่านมองดูสัตวโลกในขอบจักรวาลมองมองดูใครจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลจะได้ไปช่วยใครบ้างองคุลีมาในเข้ามาในในขายในพยานคือเข้ามาในขายในจอเดรด้าของพระพุทธทเจ้าเข้ามาในจอเดรด้าคือในขายในพยาน เอ้มันเรื่องอะไรเนี่ยก็เรารู้ว่าโอ้ถ้าหาว่าแม่ขององคุลิมานเนไปหาองคุลิมาองคุลิมาจะไม่ไว้ไขทั้งหมดถึงจะเป็นแม่ก็เถอะตัดคอเลยวันนี้ในเมื่อองคุลิมาฆ่าแม่เท่านั้นแหะอนันตรรยกรรมหามาตุกขาศัตรูฆ่ามารดาปิตุขาตฆ่าบิดาอารหันตะขาตรฆ่าพระหรันโลหิตตุบาตทําร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอบ สังฆเพศยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายองคคริมาเนี่ยจะตัดมรรคผลนิพพานชาตินี้ไปว่าไม่ได้มรรคผลนิพพานแล้วไปวันนับหนึ่งใหม่บุญกุศลที่ได้มาทั้งหมดที่สังสมมาเป็นเออเป็นเป็นกลับกมาแล้วเป็นอสงไขมาแล้วหมดเกลี้ยงเลยเพราะทำบุญขาวนี้ไปว่าทาบาปขานี้บอกหนักมาก เราควรจะไปโปรดองค์คริมานพระพุทธเจ้านะท่านมองเห็นนะท่านกอ็ออกไปแต่เช้ามืดเลยท่เดินไปพอเดินไปก็ไปเห็นชาวนาเชา้าไไล่โ้จะไปไปในะสัมมนาลูปงามอ ง, งสึกมหาโจรอยู่ที่นั่นนะอ่ะไม่ไว้ใครเลยนะอย่าท่านอย่าไปน ะ, ประพระพุทธเจ้า ท่านได้ยินแต่ท่านเอาทําเหมือนกับเอาหูทวนลมอย่างงั้นแหละท่านก็เดินไปเลยเลยพอไปไปเห็นองค์ุลิมานท่านนะองค์ุลิมานก็ปีเข้ามาเลยใช่ถือดาบอพระพุทธเจ้าใชอ้อิทธิลิเนี่ยอพระพุทธเจ้าก็เดินธรรมดาแต่แต่องค์ุลิมานเนี่ยโอ้โหวิ่งขนานหนักเลยมันวิ่งตามท่าอะไรก็ไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เดินธรรมดาพ ร, พระพุองค์ใช้อิทธิลิศเนี่ย ไม่ให้เดินองคุลิมาลตามทันอในผลที่ลัพธ์องคุลิมาลเนีเขาก็บอกนะหยุดสมัมมนาหยุดหยุดสมัมมนาหยุดหยุดสมัมมนาหยุดคือให้หยุดเอตัวเองจะได้ไปทันจะได้ทําร้ายทําลา ย, ลายเพื่อจะเอานิ้วมือพระพุทธเจ้าบอกว่าองคุลิมาลเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วอองคุลิมาลก็ว่า ส ม, มณะโกหกหยุดแล้วทําไมไปอยู่ยังเดินยังวิ่งอยู่ส ม, มณะโกหกพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วามีแต่เธอเท่านั้นแหะยังไม่หยุดเราตถายคตหยุดแล้วหยุดในการเบียดเบียนหยุดในการทําร้ายหยุดในการทําความชั่วมีแต่เธอเท่นั้นแหละยังไม่หยุดเราหยุดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นนะองค์กริมานเหมือนกับคําพูดนี่แหละ กรแค่เข้าไปในหัวใจขององค์คริมานเพราท่านเป็นปราดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใจของท่านเป็นปราดอยู่แล้วแต่ว่ากิเลสภายนอกมันครอบงําพอก็แทกท่า น, นก็นั่งคุกเขา่าวางดาบเล ย, เอยพอวางดาบพระพุทองค์ก็ไปกลับไปตันี้ก็ไปแสดงทําให้ฟังเธอต้องหยุดอย่าไปเบียดเบียนสัตว์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้แสดงแนวอริยสัตว์ทุกสมุทัยนิโรธมักองค์คริมานก็ได้สําเร็จเป็นพระหาน ในขณะนั้นพอบวชเป็นพระเป็นพระอหารเสร็จแล้วก็นนคงจะโยนของทิ้งทั้งหมดพระรงองค์บวชให้เลยเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วพระองค์คริมานกับบริขานลอยมาเลยเาจากนั้นก็นเดินตามหลังพระพุทธเจ้ามาเลยเถิดมาเข้ามาวัดป่าเชตตะวันพอมาก็มานั่ง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 ข้าพระองค์จะไปปราบนั่นละลูกชายของปโปรหิตตายจานชื่อเฮงสาเขาไปเรียนอยู่นั่นเป็นโจรขึ้นมาเบียดเบียนคนอย่างมากพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะได้เอาทหารไปล้อมจับเพราะมันทำร้ายทารายค น, น, นพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาพปรหิท้าห่วองคุริมานเขาบวชล่ะ ถ้าเขาบวชมหาปพิธจะทํำยังไงโอถ้าเขาบวชแล้วก็ฆาบองค์เขาจะต้องได้กราบเขารบสักการะเขานั่นละถ้าเขาเป็นคนดีนะถ้าเขาเป็นโจรก็อย่างว่านะก็ต้องใช้กฎระเบียบบ้านเมืองพระพุทธองค์บอกว่ามหาปพิธนี่แหละองค์ุลิมานพนอะอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้านั่นเองทนี้นี่เหนี่แหละองค์ุลิมานไนอะ้อหิงสาพระอหิงสา โอ้โหพอพระเจ้าประเสียนได้ยินเธอเนี่ยเกือบจะขยงหนีเลยเหมือนกันเถอะเพราะความกลัวเพราะกิตติศัพท์ของท่านองค์คลีมานไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมเอ๋พออระพุทองค์บอกว่ามหาบุพพิสุไม่ต้องกลัวเอองค์ครีมานเนี่ยเอ๋ท่านเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเออหมดจดจากกิเลสแล้วเป็นพระอราหันต์แล้วเนี่ยนี่แหละเอ๋เป็นพระที่แท้จริงนะเขาหยุดแล้วในสิ่งเหล่านั้นน่ะ อจากนั้นพระเจ้าประเสียงก็จะได้กล่าวองคุลิมานยกมือไหว้จากนั้นก็ถอยทัพกลับอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือองคุลิมานเนี่ยฤทิ์ใสดั้งเดิมของท่านเป็นคนดีอแต่ว่าถูกใส่ความ ก, ก็คงเป็กรรมของท่านในอดีตชาติเหมือนกันนะและก็พร้อมกันก่อนเนี่ยในเรื่องนี้หลวงพ่อตำหนิอาจารย์อาจารย์ขององคุลิมาน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 พวกเราท่านทั้งหลายองค์ุลิมานที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังองค์คุลิมานเป็นคนเมตไส้ ด, สดีแต่ถ้าจะพูดในเรื่องของโจร น, นั่นก็มันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมเป็นเลือกเลือกอยู่ในเรื่องของโจรเลือกของมหาโจรที่พ่อเป็นปรหิตอาจารย์เป็นผู้รู้ดูเลือกดูยามแต่ยังไง แต่นิสัยขององคุรีมาลเป็นผู้นิสัยดีมาโดยตลอดแต่ถึงยังไงในบุพกรรมขององคุรีมาลเนี่ยก็เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติที่ในอดีตชาติไม่เว้นองคุรีมาลเนี่ยไปว่าเป็นผู้ดุร้ายแต่ถึงยังไงก็ยังเชื่อในธรรมคำสอนของอาจารย์ของของพระพุทธเจ้ายังไงยังให้ความเคารพ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 บุปผกรรมเก่าเกี่ยวเนื่องกันเนะี่ยมาถึงยุคนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณองค์คลีมานกันเะนีเป็นมหาโจรอย่างนั้นพอเห็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไปโปรดเท่านั้นพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวห ย, ยุดเราหยุดแล้วองค์คลีมานมีแต่เธอเท่านั้นแต่ยังไม่หยุดเธอเน่ยนยังเบียดเบียนยังทําความชั่วอยู่ยังไม่หยุด แต่เรานี่หยุดแล้วเลยเพียงคํานี่นะคำเดียวก็แทกหัวใจขององคุลิมานองคุริมานหยุดเฮ้ยวางดาบทันทีเลยเพราะคำคำตรัสของพระพุทธเจ้านี่แหละสรุปแล้วก็คือองคุลิมานเป็นคนดีนะขันศรัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าไม่ดีท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไงใช่ไหมบุญบารมีของท่านก็พร้อมแต่เอาเอถอะถ้าว่าไม่มีพระพุทธเจ้าไปโปรดก็ อ๋อล่อแหลมอีกเหมือนกันล่อแหลมอย่างมากเลยเพราะเหตุไะไรเพราะว่าท่านได้ฆ่าแม่ท่านนะ่ปปะแปลว่าบุญบารมีของท่านในอดีตชาติทั้งหลายทั้งปวงมดนับหนึ่งใหม่เลยเอพอตายจากชาตินี้ท่านก็นลงนู่นเวจีมหานรกกว่าจะจะพ้นขึ้นมาได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่หมื่นปีเยจริงจะพ้นมาได้พอพ้นมาก็นั่นนะ จะมาเกิดมาแล้วกัสร้างบารมีใหม่อีกเี๋นี้นับหนึ่งใหม่นับบุญใหม่ขึ้นมาอีกเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะได้เกิดมาในภพพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดอย่างที่หลวงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาษิาตนะอักตังทุกตังเสอยู่ปัชชาตปติทุกตังคิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว